ครั้งที่แล้วก็ได้กล่าวถึงอาสวะนะการละอาสวะในยะที่ที่6ใช่ไหมว่าด้วยอาสวะที่ต้องละได้ด้วยการบรรเทาการละอาสวะที่ละได้ด้วยการบรรเทานั้นก็คือการเพียรพยายามในการละอกุศลวิตกนะอกุศลบาปธรรม ท, ทั้งหมดเลยไม่ให้เกิดขึ้น การจัดการในการบรรเทาการละบาปอากุศนนั้นเป็นกิจที่มีความสำคัญมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะขจิตขจัดจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศนออกจากขันธสันดานเราได้เราก็ไม่สามารถที่จะประกอบอธิจิตอย่างต่อเนื่องต่อไปได้เห็นถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะประกอบอธิจิตได้ การฝึกการหัดการดัดอบรมความคิดนี่ก็คงจะยากยานะเมื่อเราไม่สามารถที่จะฝึกความคิดเราได้ความคิดนี่มันอันตรายที่สุดนะในโลกนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความคิดนะอันจิตใดที่ไม่ได้รับการฝึกฝนภาวนาจิตที่ไม่ได้รับการเจริญจิตที่ไม่ได้รับการอบรมจิตเหล่านั้นนี่แหละจะก่อพิษ ก่ทุกก่อโทษให้กับผู้นั้นโดยประมัดไม่มีสัตว์ก็จริงเนี่ยนะแต่ว่าความเป็นกรร ม, มสกตานี่ต้องไม่ลืมเหมือนกันเนี่ยนะที่จริงสังสารวัตรก็คือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะนั่นแหละแต่นายกนายขอก็อาศัยสภาวะเหล่านั้นนี่แหละบัญญัติเรียกว่านายกนายขเรียกว่าเราเรียกว่าเขาอันถ้าหากว่าเราปล่อยให้ความคิดที่เป็นบาปเป็นอกุศล โดยที่ไม่สามารถที่จะอบรมเจริญตามพระธรรมคำสอนได้ชีวิตของเรานี่ก็น่าเจริญการุณาให้มากๆเลยไม่ผิดหวังแน่นอนเพราังั้นถ้าเราไม่ไม่ฝึกความคิดเราตั้งแต่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะนะทุกเราลืมทุกแต่ว่าทุกจะไม่ลืมเราเลยนะทุกทุกความคิดเนี่ยนะที่ที่เราเคยเสพเคยรับรู้มา ความคิดเหล่านั้นเนี่ยนะจะย้อนมาหาเราหมดเลยทุกๆอุปนิสัยที่เราสะสมไว้นะอย่าคิดว่าอุปนิสัยเหล่านั้นจะลืมเราสมมติว่าเราเคยไปได้รับการดีใจการเสียใจไปรับอารมณ์รับรู้อะไรมาก็ช่างเดินในโลกนี้การรับรู้ของเรานะใช้ความคิดเนี่ยไปรับรู้ใช้จิตรับรู้จิตเหล่านั้นจะไม่ลืมเลยได้ปัจจัยเขาจะเข้ามาหมดเลย นะนะเพราะผู้ที่เขาระลึกชาติได้หรือปุเพนิวาสานุสติยานเขาระลึกได้เนี่ยนะเขาจะอย่างรู้หมดเลยว่าแต่ละความคิดเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยแก่กันและกันได้ทั้งหมดเลยเพราะความคิดใดที่เราสะสมมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กก็ตามนะนะตั้งแต่อายุควบฟังขวบฟังขวบหรือกี่กี่ขวบมากี่สิปีมาก็ตามความคิดเหล่านั้นเนี่ยอย่าคิดว่าลืมเนี่ยได้อุปนิสัยเขาเกิดเลยนะนะ ความคิดที่เราสะสมในด้านโทสานะได้ปัจจัยเขาเกิดเลยความคิดที่เราสะสมด้านใดด้านหนึ่งก็ตามเขาได้ปัจจัยเขาจะเกิดหมดเลยเนีย่ยนะเมื่อได้อารัมมนะณะได้เวทนาได้สัญญาได้เจตนาได้จิตคล้ายๆกันอุปนิสัยให้มาหมดเลยอุปนิสัยเดิมจะเข้ามาจะเข้ามาจะเข้าม า, าช่วงนี้แหละถ้าเราไม่ไม่ยังไม่จริงจังกับการเจริญกุศลธรรมก็ก็ดูว่ามันไม่มีโทษ แต่เมื่อใดที่เราเขาบอกว่าป่วยเนี่ยนะถ้าเราเป็นไข้แบบมันไขน้นิดๆเนี่ยนะหรือว่าไข้เป็นประจำเนี่ยถ้าเราไม่คิดจะหายขาดเลยนะมันก็ไม่เป็นไรมันก็พออยู่ได้นะเจ็บโน่นก็อะกินยาปวดนี่ก็เอาทานะแก้ไปวันๆหนึ่งถ้ายัางงี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ตั้งใจจะรักษาให้หายขาดให้หาย้ารอนเนี่ยนะไอพิษที่ในอดีตเนี่ยจะเข้ามาหมดเลย ต่อเมื่อเราคิดจะรักษาเนี่ยพิษเหล่านั้นจึงจะมามาเล่นอ่ะค่อยๆกํ า, ากเริบถอนออกทีละทีละอย่างสองอย่างพิษเหล่านั้นจะตามมาทั้งหมดอุปนิสัยทุกๆอุปนิสัยจะเข้ามาทั้งหมดทีนี้ว่าเรานั้นในช่วงที่การศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยเรามีศรัทธาในคําสอนขนาดไหนมีความเพียรพยายามในการเจริญกุศลธรรมขนาดไหนมีสติมีสัมปชัญญะขนาดไหนตรงนั้นแหละเป็นเครื่องบ่งบอกว่า เอาตัวรอดหรือไม่รอดเนี่ยนะก็อยู่ที่ว่ามีศรัทธาในกุศลธรรมมากขนาดไหนอาศัยะหรืออัธยาศัยที่สะสมมาเนี่ยมั่นคงขนาดไหนไม่งั้นนี่ก็จมต่อไปในห่วงน้ําคือกามโมฆะทิ่โธฆะพะโวฆะอวิโชกะโดยเฉพาะห่วงน้ําคืออวิโชกะนั้นเป็นห่วงน้ําที่ที่สัตว์จมแล้วไม่มีโอกาสได้รู้ตัวด้วยเนี่ยนะที่บินว่อนอยู่เนี่ยเขาไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่าเขากําลัง จมอยู่ในห่วงน้ําคืออวิโชคเนี่ยนะโอคะคืออวิชาที่ท่วมทับในในจิตของเขาอยู่ตลอดเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้ได้รู้เลยเพราะฉนิอาสวะในการละการบรรเทาเนี่ยนะทั้งอาสวะโอคะโยคะเนี่ยก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละอาสวะโอคะโยคะคันทะอนุสัยสังโยชตกิเลสจริงก็บาปอากุศลเหมือนเหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่พระผู้มีพระภาคนั้น แยกแยะเทศนาโดยเทศนาวินลาดตามอัธยาศัยของเหล่าสัตว์ทั้งหลายจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นก็คือบาปอากุศลนั่นแหละอันอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญ น, นะนะนัยะที่ที่7จเนี่ยนะนัยะสุดท้ายอันนี้เป็นญาณะสังวร น, นะในสังวรทั้งห้ากล่าวว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญนี้เป็นอย่างไร คือพิสูจนในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเจริญสติสัมโพชฌงที่อาศัยวิเวกนะคิดว่าอันอาศัยวิเวกเหมือนกันเถอะอาศัยวิราคะคือความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธะคือความดับน้อมไปในการสลักนะพิจารณาโดยแยบคายเหมือนนเถอะต้องใคร่ครวนให้รอบคอบแล้วก็เจริญ สติสามโพชงเนี่ยนะสติสามโพชงคำว่าเจริญนั้นก็คือทำให้เกิดขึ้นทำให้บังเกิดขึ้นเฉพาะในจิตตะสันดานของตนเนี่ยบ่อยๆทำกุศลจิตอันเนี้ยทาตัวสติเนี่ยให้เกิดในในจิตเราบ่อยๆผู้ที่สามาทสติให้เกิดได้บ่อยๆนั่นแหละเรียกว่าการเจริญโพชงแต่ว่าโพชงนั้นจะเป็นโพชงก็ต่อเมื่อเป็นสมถาวิปัสสนาไปแล้วนะจึงจะเรียกว่าเป็น โทษชงถ้ายังไม่ได้วิปัสสนาเป็นต้นก็ยังไม่เรียกว่าโพชชงอะไรเนี่ยน ะ, ะถ้าบางแห่งท่านเน้นที่วิปัสสนาไปแล้วเนี่ยนะถ้าในสติปทานแต่ถ้าเฉพาะตรงนี้ก็เอาทั้งหมดเลยนะอาศัยตัดปะหานะทั้งห้าเลยทั้งปรทานฆปะหานวิคัมพะณะปะหานก็คือทั้งสมถะและวิปัสสนานั่นแหละสติที่เป็นไปกับสมถะและวิปัสสนานั่นแหละจึงจะเรียกว่าโพชชงในในโลกิญะเนี่ยนะ ซึ่งโพชฌงในโลกยะนี้สามารถที่จะพอกพูนพัฒนาเป็นอุปนิสัยให้เป็นโลกุตระต่อไปได้ผู้ที่เจริญสติสามโพชฌงเนี่ยมีความชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยถ้าพูดคำว่าสตินเนี่ยนะคือความระลึกได้อ่าระลึกยังไงสตินี่ระลึกอย่างไรเห็่ระลึกได้ว่าเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับขุนคลังของพระเจ้าจากักรพรรดิที่คอยให้พระเจ้าจากักรพรรดิตามระลึกว่า นี้ช้างนี้มานี่ทรัพย์นี้แก้วแหวนเงินทองเนี่ยนะคอยรายงานผู้ที่มีสติเนี่ยนะก็สามารถที่จะระลึกถึงธรรมะต่างๆได้ว่าเออนี้สติประธานนะนี้สัมมาประธานนี่อิติบาท์นี้อินทรีย์นี้พระนี่โพชฌงนี้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้สมถะนี้วิปัสสนานี้อริยสัจเนี่ยนะนี้โลกยะนี้โลกุตระเนี่ยนะสติเนี่ยเป็นตัวให้ให้ระลึกถึง กุศลธรรมเหล่านั้นได้นี่ในยะหนึ่งในยะหนึ่งก็คือสติที่เป็นเหตุให้รู้ดีรู้ชั่วเนี่ยนะรู้ว่าอะไรมีโทษไม่มีโทษพอรู้ว่าอะไรมีโทษก็กําจัดสิ่งที่มีโทษนั้นออกไปรู้ว่าอะไรไม่มีโทษก็พอกพูนพัฒนาทำสิ่งที่ไม่มีโทษนั้นให้เพิ่มพูนมากขึ้นรู้ว่าทุจริตนะทั้งกายทุจริตวาจีทุจริตและ มโนทุจริตเนี่ยมีโทษสติเนี่ยถ้าเกิดขึ้นก็จะพยายามกำจัดไอ้ทุจริตนั้นออกไปเนี่ยนะเพราะว่าสตินี่เป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย น, นะถ้าสติเกิดขึ้นจริงๆต้องกันกน้นกระแสได้นีเพราะว่าในที่อาชิตะมานาวกาปัญหาใช่ไหมว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นกระแสเหล่านั้นอันบุคคลจะปิดด้วยปัญญาเนี่ยนะอันสตินี่จึงจะเป็นเครื่องกันกน้นกระแสตันหากระแสวอวิชากระแสทุจริตกระแสกิเลสได้ เพราะว่าสตินี่เป็นเหตุให้ระลึกรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยนะเหมือนกับคนขับรถมีสติก็คือขับรถระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะถ้าเกิดอุบัติเหตุและเสียหายอันนี้สติแบบที่เราคุยกันแต่สติในในคำสอนนั้นก็คือสติที่สา ม, มารถระลึกรู้ว่าในโลกเนี่ยนะโลกคือชีวิตเนี่ยอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ อะไรประกอบด้วยประโยชน์อะไรไม่ประกอบด้วยประโยชน์อะไรควรเจริญอะไรไม่ควรเจริญเป็นต้นสติตัวนี้แหละเป็นตัวแยกแยะนะโลก่วนะ่ารถคือคืออัตภาพเนี่ยนะก็บอกว่ากลัวรถคืออัตภาพนี้จะชนก็ระวังสังวรสำรวมนะสติเนี่ยเป็นตัววินิจฉัยคัดเลือกสรรไม่ให้จิตเป็นไปกับบาปอากุศล น, นะทั้งที่เป็นกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตอันนี้สติชั้นพื้นฐาน ที่เป็นเหตุให้ทานกุศลเกิดขึ้นที่เป็นปัจจัยให้ศีลกุศลเกิดขึ้น น, นะแล้วก็สติเหล่านั้นเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้ภาวนากุศลเกิดขึ้นเพราะว่าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของโลกแต่การเจริญสติสามโพชงเนี่ยนะเพราะว่าคําว่าโพชงนี้แปลว่าธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้โพธิบวกอังคะโพธิเนี่ยหมายถึงความตรัสรู้ อ, องค์ แห่งธรรมะเป็นเครื่องตรัสรู้มีอยู่เจอย่างด้วยกันนะสติ 2. ธรรมวิจยะ 3. วิริยะ 4. ปีติปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขานั้นเรียกว่าธรรมะที่เป็นองค์เป็นเป็นเหตุให้ตรัสรู้ได้ถ้าไม่ครบองค์นี้ตรัสรู้ไม่ได้นะทานจะต้องครบองค์ของเขาเว้นไว้แต่ทุติยมัต ไม่ต้องมีในเจตุธรรมมักเนี่ยนะไม่ต้องมีปีติก็ได้ชานที่ไม่มีปีติเนี่ยนะมัคจิตที่ไม่มีปีติก็ก็เป็นได้ไดนะแต่ว่าถ้าโดยโสดาปฏิมักปฐมชฌานทุติยชาตญาติญาชาต ต, Changing, ชาต้องมีปีติเพางั้นเดี๋ไม่มีปีติไม่ได้ตาติญาชาตินิละปีติใช่ไหมจะตกกันในนะละปีตินะจะตกกันในตาติญาชาตินิละปีติ ทุติยชาเ น, นละวิตกวิจารจตุตาชาเนีละสุขมันจตุตาชาและจึงจะอะตาตติยะชาและจึงจะไม่มีปีติเนี่ยนะแต่ถ้าธรรมดานั้นก็ต้องมีปีตินะส่วนที่เหลือต้องมีหมดเลยนะเจริญพุทชงทั้งเจอย่างนี่แหละนะเจริญธรรมะที่เป็นองค์แห่งหรือเป็นองค์ที่ทำให้ตรัสรู้เนี่ยนะเป็นองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยเจริญสติอาศัย วิเวกวิเวกะนิสิตังวังนั้นอาศัยวิเวกอาศัยวิเวกนั้นวิเวกนี้หมายถึงความสงัดอ่าวิเวกนั้นเราเคยได้ยินอาจจะวิเวกสมใช่ไหมกายวิเวกจิตาวิเวกและอุปธิวิเวกเนี่ยนะตรงนั้นวิเวกนัยยะนั้นนี้ไม่ได้ไม่ประสงค์เอาที่นี้ในที่นี้ประสงค์เอาวิเวกห้าก็คือวิขัมภนะวิเวกได้แก่สมถะเนี่ยนะ ความสงัดด้วยการข่มไว้แต่ทางขวิเวกความสงัดด้วยองค์นั้นอันนี้หมายถึงวิปัสนาแล้วก็สมุดเฉทาวิเวกความสงัดด้วยการตัดขาดแล้วก็ปฏิปัสสัตที่วิเวกความสงัดด้วยความสงบระงับสมุดเฉทะเนี่หมายถึงอริยมรรคนะปฏิปัสสัที่หมายถึงอริยผลส่วนนิสนนาวิเวกความสงัดด้วยการสลัดออกนี่หมายถึงพระนิพพาน พะะน้นเจริญสติสัมโพชงอาศัยวิเวกทั้งหเนี่ยนะอาศัยถามว่าเจริญสติสามโพชงเนี่ยอาศัยวิขัมภนะวิเวกก็คือในขณะที่จิตเป็นไปกับสมถะเนี่ยนะในขณะนั้นก็ชื่อว่ากิตเป็นไปกับสมถะก่อนอาศัยวิเวกคือสมถะแต่โดยอัธยาศัยเนี่ยเนี่ยนะอาศัยวิเวกเนี่ย โดยอัธยาศัยเนี่ยน้อมไปเพื <enrolled> ่ออริยมรรคอริยผลและนิพพานแต่ในช่วงการเจริญเนี่ยเป็นสมถะจริงแต่อาศัยโน่นอริยมรรคเนี่ยอัธยาศัยเนี่ยน้อมไปหาอริยมรรคแต่ขณะนั้นเนี่ยเจริญสมถะหรือว่าในขณะนั้นเจริญวิปัสสนาโดยกิจโดยหน้าที่เจริญวิปัสสนาแต่น้อมไปเพื่ออริยมรรคน้อมไปเพื่ออริยผลและก็น้อมไปเพื่อนิพพาน น, นอาศัยวิราคะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะก็เหมือนกันเนี่ยนะวิรา่ะห้าเหมือนกันนั่นแหละอาศัยนิโรธะคือความดับความดับก็หอีกเหมือนกันแล้วก็โวสักขะปรินามิงเนี่ยนะน้อมไปในการสละ ก็คือเจริญสติอาศัยวิเวกอาศัยวิราะอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสละเนี่ยนะสี่คำเหล่านี้มีความสำคัญมากต่อผู้ที่จะเจริญสมถวิปัสสนาชั้นสูงเนี่ยนะต่อไปแต่ก็ธรรมบทเหล่านี้เนี่ยนะกว่าจะมาเป็นอา ร, รมณะปัจจัยให้พิจารณานี่ก็ไม่ใช่ของง่ายถ้าเราเจริญพิจารณาทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์ไม่มากพอเนี่ยนะธรรมะประเภทมรรคสัตว์เนี่ยนึกไม่ออกเลยไม่รู้เป็นยังไง ต่อเมื่อมีความชัดเจนในเรื่องขันห้าและปัจจัยแห่งขันห้าเป็นอย่างดีเนี่ยนะเหตุเกิดความดับของขันห้านี่มีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วจึงจะสนใจธรรมะกลุ่มนี้เพราะว่าธรรมะกลุ่มนี้เป็นเหมือนกับยุดยานพาหนะที่จะช่วยให้ออกจากสังสารวัตรนั่นแหละก็บอกว่าต่อถ้าเราไม่เห็นโทษของการอยู่ในที่นั้นๆเนี่ยนะยานที่นาออกเนี่ย จะให้ค่าน้อยมากอย่งนั้นเถอะก็เหมือนกับเรามีรถเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าคนไม่อยากเดินทางเนี่ยรถไม่มีความสาคัญอะไรเล ย, เล ย, เลยจะไม่สนใจเรื่องรถเลยต่อเมื่อคิดจะเดินทางเมื่อไหร่นั่นแหละเออรถเนี่ยเขาถายนี่นะก็เริ่มและอะไรอยู่ที่ไหนนี่ก็จะเริ่มหามาและแพงก็จะซื้องั้นเถอะเพราะว่าจะเดินทางและมีความจําเป็นผู้ที่มีมีอัธยาศัยที่จะออกจากวัตฏะก็เหมือนกันธรรมะเหล่านี้จึงมีค่าที่สุดสําหรับเขา เพราะเป็นเหมือนกับยานพาหนะพาเขาไปสู่ทิศที่ไม่ไม่ตายคืออมาตะนิพานแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ทุกขัสัต์ก็ยังงอนงอนเต็มทีเลยนะความเข้าใจไม่พอสมุทัยสัตว์ความเข้าใจอ่อนอันนี้ก็เรื่าไม่รู้จะพระเทศไม่ออกเลยว่างั้นนะรู้จะเทศว่างไงนะนะต่อไปก็เจริญอ่ะนะ สติสัมโพชงเนี่ยนะพิจารณาโดยแยกคายแล้วเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสลัเห็นไหมเจริญวิริยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสลัเจริญปีติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้าอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสลัเนี่ยนะน้อมไปในการสลั เจริญปัสสัที่สำโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญสมาธิสัมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเจริญอุเบกคาสัมโพธชงนะที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปในการสละซึ่งเมื่อไม่เจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแขนก็จะพึงเกิดขึ้นนะ ถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยนะความเร่าร้อนความคับแค้นเนี่ยนะจะเกิดขึ้นจริงๆเมื่อเธอจเจริญอยู่อาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้แมมวันนี้ใช้คําว่าคับแค้นเนี่ยรู้สึกซึ้งเหลือเกินเหมือนกันเมื่อก่อนนี้คํานี้ไม่เคยลึกซึ้งอะไรสักอย่างเลยคับแค้นเป็นยังไงนึกไม่ออกเลยเหมือนกันคือเราไม่เคยเป็นลักษณะนั้นมาก่อน แต่ว่าตอนหลังแม้คํานี้ลึกซึ้งให้ น, นะคับแค้นนี่นเป็นยังไงโอ้เป็นคําที่เนะราอุปายาตเนี่ยนะ <c oughs> พวกทุกโทรมนัดอุปายาตเนี่ยตอนหลังมานี่ชักลึกซึ้งเข้าล้ะเมื่อก่อนนี่ไม่ลึกซึ้งเลยนึกไม่ออกเลยไม่รู้เป็นยังไงเาะงั้นแต่หรือเราอาจจะไม่ค่อยไปโทรมนัดแบบนั้นก็ได้ตอนโตมาเนี่ยนะ <c oughs> แต่ว่าตอนหลังเนี่ยเอ้ถ้อยคําพวกนี้ชักจะลึกซึ้งละเนี่ยนะ คือทำให้เราพิจารณาถึงชาติชราพยาธิมรณะโศกปริเทวทุกโทมนัตและอุปายาตเนี่ยนะอุปายาตเนี่ยคือความขับแค้นความคับแค้นทั้งหมดเหล่านั้นเกิดจากจากชาติจะทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าผู้ที่ไม่มีความคับแค้นเลยนะเรีย ก, กว่าอะไรก็โสภาสถาพรไปหมดเนี่ยสบายไปหมดเลยดีไปหมดเลยเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยธรรมะประเภทมรรคสัตว์เนี่ย นึกไม่ออกเลยไม่รู้มันเป็นยังไงเพราะไม่คิดจะออกแต่ก็มีวิธีอยู่อย่างเดียวก็คือฟังเพื่อเอาบุญพระพุทธเจ้านี้เวลาแสดงธรรมเนี่ยทำให้นึกนึกถึงพระองค์เนี่ยนะพระองค์นี้จะจะแยกคัดคนก่อนว่าในบริษัทนั้นมีผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมไหมนะถ้ามีผู้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะคนที่เหลือไม่คิดถึงเลยต่อไปว่าเขาเป็นยังไงไม่คิดเลยจะคิดทั้งคนที่ตรัสรู้ธรรมเนี่ยเขาอุปนิสัยเขาเป็นยังไงตรวจจริตก่อน ราคะจริตวิตกจริตศรัทธาจริตเนี่ยนะหรือว่าราคะจริตโทสะจริตโมหจริตยังไงก็ตรวจจริตก่อนอในจริตทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยอาศัยธรรมเทสนามหมวดไหนจึงเป็นที่สปายะแก่เขาก็จะแสดงไปตามนั้นคนที่เหลือก็ฟังอยู่แต่คนที่เหลือก็จะได้อุปนิสัยได้วาสนาไปถ้าเขามีศรัทธาฟังถ้าเขามีศรัทธาแล้ะน้อมใจในฟังธรรมะหมวดนั้นแสดงว่าเขามีอุปนิสัย เนะขาเรียกสะสมบูรณ์ต่อไปแต่ถ้าหากว่าฟังแล้วไม่เข้าเลยแสดงว่าตอนนี้ยังก่อนองนันะคือคิดดูนะบางทีเนี่ยพระ อ, องค์เนี่ยวิเวกสเดือนไม่เทศเลยก็มีเมื่อพระ อ, องค์ตรวจดูหมดแล้วว่าไม่มีเกิดประโยชน์อะไรสักอย่างเลยนะวิเวกและวสมเดือนงั้นก็ก็จะเป็นในลักษณะ น, นั้นพระ อ, องค์ผู้ผู้ที่สามารถยังรู้อัธยาศัย พระ อ, องค์นี้ก่อนจะดับขันปรินิาพานเนี่ยพระ อ, องค์ตรวจดูอัธยาศัยก่อนว่าถ้าไปที่กุศินาราสุพัทธปรินาพชกจะบรรลุอีกคนเดียวที่เหลือจะไม่มีแล้วพุทธเวไนยหมดเกลี้ยงแล้วถึงอยู่ก็ไม่มีใครที่จะบรรลุพ่ะธรรมเทศนาของพระ อ, องค์แล้ะเพราะพุทธเวไนหมดละพระ อ, องค์ก็ดับขันปรินิาพานอย่างคนที่หมดงานนี่ว่ากันพุทธจริยาเนี่ยบำเพ็ญอย่างบริบูรณ์คำว่ากันแสดงว่าเรานี่ไม่อยู่ในพัเนต ร, รอะไรสักอย่างเลยคำว่ากันเขาบอกว่า คนที่มีปัญญาเนี่ยนะอยู่ไกลก็มองเห็นเหมือนหิมะวันตะบันพดเหมือนกันคุณเขาเนี่ยนะใหญ่ๆเนี่ยอยู่ใกล้ขนาดไหนก็เห็นเหมือนอินเดียเนี่ยนะอยู่ภาคใต้ก็มองเห็นมั้งเขาหิมาลัยเนี่ยนะอยู่จุดไหนของประเทศก็น่าจะมองเห็นเขาหิมาลัยหมดอนะนะเขาใหญ่เหลือเกินเหมือนก็บอกว่าอยู่ไกลก็มองเห็นเหมือนหิมะวันตะบันพดแต่คนพาลถึงนั่งอยู่ตรงนั้นก็มองไม่เห็นเหมือนลูกศรที่ยิงไปในเดือนมืดเหมือนกัน เดือนมืดเนี่ยยังบอกมองไม่เห็นเลยว่างั้นว่ามีมีคนนี่อยู่ในนั้นว่างั้นก็บอกว่าเมื่อ <c oughs> เมื่อมีงานที่จะต้องปรึกษาบางอย่างเนี่ยนะคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นสําคัญที่สุดนะถ้าไม่มีคนที่มีความรู้ในเรื่องนั้นนะอมองไม่เห็นใครเลยนะมีก็เหมือนไม่มีนั่นแหละอ่าก็แล้วจึงมีถึงกล่าวถึงเรื่องที่ภาษาลิบุตรเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีปัญญาว่างั้นเถอะบอกว่าลูกศิษย์อาจารย์นี่ได้อากินจัญญายตนะ อ า, อาจารย์เนี่ยใกล้จะตาย น, นะลูกศิษย์ผู้ใหญ่เนี่ยไม่อยู่อยู่แต่ลูกศิษย์ธรรมดาทั่วไปเนี่ย อ, อาจารย์เนี่ยจะตายแล้วก็ไปถามว่าอาจารย์อาจารย์ได้คุณวิเศษอะไรบ้างเขาบอกโอ้อะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีครัว่า อ, อะไรก็ไม่มีลูกศิษย์เขบอกโอ้อาจารย์นี่สงสัยไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะออตายก็ตายไปครับมีคุณธรรมอะไรสักอย่างก็เลยไม่ได้จัดการดูแลงานศพอาจารย์อะไรเป็นอย่างดีอะไรหรอก ก็อาอาจารย์อะไรก็ไม่มีสักอย่างไม่รู้จะทําเอาไปทําอะไรเขาทีนี้ตอนหลังภาษาราบุตรเนี่ยมาซึ่งเป็นหัวหน้าสาวกผู้ใหญ่เนี่ยนะเป็นลูกศิษย์คนโตเนี่ยมาถึงอ้าวว่าไงอาจารย์ไปไหนแล้วบอกอาจารย์ตายแล้วว่างไงเอาได้ถามคุณนะวิเศษอะไรอาจารย์ไหมถามแล้วอาจารย์บอกว่าอะไรหน่อยก็ไม่มีเข้ามานั่นเนี่ยอากินจัญญายาตนะสมาบัติชนะนั่นอ่ะโอ้ไม่รู้ก็บอกว่าลูกศิษย์เป็นพันเนี่ยไม่รู้เลยว่าความสามารถไปขนาดไหนว่ะ คนไม่มีปัญญาเนี่ยนะถึงจะมีเป็นพันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสักอย่างเลยนะเฉพาะงานนั้นๆเนี่ยมันกขาบอกว่าคนที่มีปัญญาแม้แต่คนเดียวก็พึงปรารถนาชนะ น, นั่นแหละคนไม่มีปัญญาเนี่ยมันไปทำมาได้เนี่ยนะมีมากก็ไม่รู้จะเอามาทํางานอะไรได้ยิ่งขยันยิ่งเสียงานเลยอะ่ะก็เคยได้ยินนะลิงอะ่ะก็มีคนหัวหน้ารักษาสวนอยู่คนหนึ่งอะ่ะดูแลสวนใช่ไหม ก็ก็เคยเลี้ยงลิงอ่ะนะลิงก็สงสารเอ๊ะคนดูแลสวนไม่อยู่เราน่าจะช่วยดูแลรดน้ำต้นไม้ให้เจ้าของสวนหน่อยมาง้งกันลิงตัวมัก็ถามอา้าวรดน้ำรดยังไงอ่ะเอาต้นไหนมีรากลึกต้นนั้นเราก็ให้น้ำมากต้นไหนรากตื้นเราก็ให้น้ำน้อยๆหน่อยครับว่าเอาเราจะรู้ได้ยังไงว่าไหนรากลึกรากตื้นยังไง <laughs> เอาก็ถอนมาดูกันดีนะ <laughs> ลิงก็เออฉลาดนี่ไอคนนี้ฉลาดมากเหมือนกันก็เลยช่วยกันดึงมาดูรากก่อนเออนี่รากลึกนี่อ่ะวางไว้รดน้ําเยอะๆหน่อยอันนี้รากตื้นรดน้ํำน้อยๆหน่อยเหมือนกันงั้นไม่มีปัญญาบางทีถ้าขยันมากเลยนะสวนสวนั้งสวนนี้ต้นไม้ตายเกลี้ยงหมดเลยเหมือนกันไม่ขยันไอคนคนไม่รู้เนี่ยนะขยันก็จะเป็นในลักษณะนั้นแหละแทนที่จะได้ ง, งานกลับไม่ได้ ง, งานอะไรเลยนั่นแะ ไม่เชื่อนี่นะหมอมีรถเสียเนี่ยให้คนไม่เป็นมาซ่อมให้ดูนี่ <c oughs> เสียไปเลยเนี่ยนะช่างแก้ไม่ถูกแล้วจะเป็นยังไงรันนี้นั่นะถ้าไม่เป็นบางอย่างก็จะลักษณะนั้นนั่นะคนไม่มีปัญญาบางทีก็จะลักษณะนั้นเหมือนกันนะเพราะองค์นี้เวลาจะสงเคราะห์ประชุมชนก็จะสงเคราะห์ผู้ที่ที่มีบุญเก่ า, าวิธีสงเคราะห์ของพระผู้มีพระภาคจะสงเคราะห์ก็จะตรวจ ด, ดูก่อนว่า ใครมีอุปนิสัยที่สั่งสมบุญไว้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆไว้นะข้อความอันนี้เนี่ยพบในอัตถกาถาหลายแห่งมากเวลาที่พระองค์ตรวจดูอุปนิสัยสัตว์ก่อนจะแสดงธรรมเนี่ยนะผู้ใดที่สะสมบุญไว้ในพระผู้มีพระภาคองค์ก่อนๆไหมเนี่ยนะพระองค์ก็จะไปสงเคราะห์คนนั้นถึงจะอยู่ไกลก็ไปจนะต้องครกวัดต้องใช้วิธีเหาะไปก็ต้องก็ต้องหาหรือใช้หายตัวไปก็ทําทําทุกอย่างเลยถ้าหากว่ามีผู้ที่จะตรัสรู้ธรรม พุทธจริยาความประพฤติพุทธกิจเนี่ยไม่มีบกพร่องตกหลน่นแม้แต่หน่อยเดียวว่างั้นในเรื่องของการเจริญโพชฌงก็จะลักษณะนั้นเนี่ยนะถ้าเรามีฟังพอได้นิยะได้ศรัทธาก็ก็ลักษณะนั้นนหะคือสังเกตได้จากของดัมมาเองเนี่ยเพิ่งมาสนใจคำว่าโพชฌงอะไรเนี่ยไม่นานนี้เองเมื่อก่อนนี่ไม่อยู่ในในหัวแม้แต่อย่างเดียวเลยดีไหมดี ชอบไหมชอบเอาไหมเอานึกไม่ได้สวดได้สวไดสวได้มานา น, านแล้วโพชังโพสติสังคาโตธรรมม า, างวิจโยตถาวิริยมปีติปัสสาทีโพชังคาจตถะะาปรเรเนี่ยสวดมาตั้งส ม, มัยเด็กๆแแหละแต่ว่าเอามาใช้อะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะรู้ว่าดีดีไ้ยดีมันเป็นยังไงบอกไม่ถูกอะเหมือนเป็นว่าคนไม่รู้มันเป็นยา ง, ง้นจริงๆนะอวิชาเนี่ย มาสงสารจริงๆม่คนมีอวิชชาเนี่ยคือจากธรรมะหลายๆอย่างเนี่ยเป็นทำให้เห็นในลักษณะนั้ น, น, นเลยเนะว่ า, าความไม่รู้เนี่ยเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยอย่างรากลัวที่สุดเลยนะในในโลกนี้ไม่มีภัยใดที่น่ากลัวเท่ากับอวิชชาจริงๆเพราะว่าอาวิชชานี่มันจะทําให้ได้สิ่งที่ไม่ไม่ควรได้เนี่ยนะทำให้บําเพ็ญสิ่งที่ไม่ควรบําเพ็ญทําให้เจริญในสิ่งที่ไม่ ไม่ควรเจริญนะนทุจริตสาเป็นสิ่งที่ไม่น่าทําไม่น่าประพฤติปฏิบัติโอ้ยขยันจริงๆนะอวิชชาเนี่ยมันเป็นเหตุให้ขยันทําชั่วนั่นแหละพูดชั่วคิดชั่วทั้งหลายแหละแต่ว่าปัญญานี่ก็ไม่ค่อยเกิดเนี่ยนะซึ่งมันเป็นปฏิปักษ์ต่ อ, อวิชาอาวิชชาก็เป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาเหมือนกันนะความมืดกับแสงสว่างเนี่เป็นศัตรูซึ่งกันและกันทํา ม, มืดต้องไม่มีสว่างว่างนะันถ้าแกสว่างต้องไม่มืดจะมีลักษณะนั้นนะเป็นศัตรูการเป็นปฏิปักษ์ ซึ่งกันและกันอวิชาก็จะลักษณะนั้นอนสัตว์โลกนั้นถูกอวิชานี่ยหุ้มห่อไว้เห็นไหมก็บอกว่าเมื่อโลกเนี่ยนะอันความมืดปกคลุมแล้วทําไมไม่รีบสแสวงหาปรฏิปเล่าว่างั้นเอทีนี้ปัญหาสําคัญเกิดมาบ่ตั้งแต่เกิดเลยไม่รู้ว่ามืดเป็นยังไงะเพรานั้นถ้าหากว่าเราไม่ไม่ตื่นตัวก็จะจะลักษณะนั้นเนี่ย น, นะในโพชงเนี่ยนะอาศัยข้อความใน นันทโกวาทสูตรซึ่งที่จริงก็เคยเอามาอ่านครั้งหนึ่งแล้นานแล้วนะซึ่งตอนท้ายของสูตรนี้จะกล่าวถึงโพชชงท่้นผู้ที่จะเจริญโพธชงแสดงว่ามองเห็นข้อปฏิบัติมาเป็นเป็นอย่างดีแล้วจึงจะสา ม, มารถที่จะเจริญโพธชงได้เดี๋ยวนะมากล่าวดูถึงข้อปฏิบัติที่ภิกษุณีเหล่านั้นท่านปฏิบัติก่อนที่ท่านจะเจริญโพธชงเนี่ยนะข้อความในนันทโกวาทสูตรเนี่ยนะ ในมัชฌิมนิกายอุปริปันนาตกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลพระมหาประชาบดีโคตมีพร้อมด้วยภิกษุณีประมาณ500รูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายัางที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พอยืนเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงโอวาสสั่งสอนพวกภิกษุณีจงตรัสสั่งแสดงธรรมแก่พวกภิกษุณีเถออย่างนั้นนะอยากให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยนะสั่งสอนภิกษุณีก็สมัยนั้นแลภิกษุผู้เทระทั้งหลายย่อมโอวาสพวกภิกษุณี โดยเป็นเวรกันก็คือเปลี่ยนกันไปแสดงธรรมให้ภิกษุณีฟังแต่นั้นแต่ท่านพระนันทกะไม่ปรารถนาะจะโอวาทพวกภิกษุณีโดยเป็นเวรกันคือท่านเนี่ยไม่อยากไปแสดงธรรมเหมนันนี่ยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามท่านพระ อ, อนนท์ว่าดูก่อนอนนท์วันนี้เวรโอวาทภิกษุณีโดยเป็นเวรกันใครเป็นของใครหนอะแหละถึงวาระองค์ไหนที่จะต้องไปเทศเหมือนกัน ท่านพระนรนกราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญภิกษุทั้งปวงทําเวรโอวาสภิกษุณีโดยเป็นเวรกันหมดแล้วแต่ท่านพระนันธการูปนี้ไม่ปรารถนาจะโอวาทพวกภิกษุณีโดยเป็นเวรกันว่างั้นองค์นี้เนี่ยเล่นคล้ายคเหมือนกับเล่นตัวเนี่ยนะไม่ไปว่างั้นองค์เ อ, อ่ญเขาบอกว่ามีมีวัดหนึ่งเขามีโครงการบาาอกว่าทุกวันพระจะต้องเปลี่ยนเวรกันมาแสดงคำํำว่างั้นเออความคิดนี้ดีมากว่างั้นเวรกผมคนเดียวว่างั้น ของขามานั่นแหละมันมีในวัดนะน้องปิง้งเนี่ยนะเพื่อนองค์หนึ่งก็บอกที่จริงเราน่าจะเปลี่ยนเวรกันมาเทศนะทุกๆวันพระก็บอกเออความคิดท่านดีมากใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าผมไม่เอานะขอคนเดียวคือไม่ไม่เท่นบอกพันสานั้นบางทีโยมเนี่ยไม่รู้เลยว่าจํำพันศาอยู่ในวัดนั้นไม่เคยออกมาฉันในวันพระบางทีเนี่ยจะออกพันศาอยู่แล้วโยมก็บอกว่าเอ้าท่านจําพันศาที่นี่เลยเหรอ ไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่ะโยมมานโ่นอยู่หลังนุ่นนี่ไงที่ก็จะหลบหลบอยู่ทั้งสายอัธยาสายคล้ายๆกันนะมั่งเนาะชื่อเนี่ยเหมือนกันนแต่ว่าความปฏิบัติคนละอย่างถ้านันทากาอันั้นที่กาคล้ายๆกันนั่นแหละนี่ไงก็คือบาลไทยไทยเนี่ยกะแต่บาลีเขาโกงไงทีนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับท่านพนันธกะว่าดูก่อนนันทกะเธอจงโอวาสสังสอนพวกภิกษุณีดูก่อนพราม์เธอจงกล่าวแสดงธรรมะถาแก่พวกภิกษุณีเธดท่านพนันธ ก, กะก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าข่าเนี่ยนะในอันตถกถาท่านอธิบายดีนะว่าทำไมพนันธกะจึงไม่ไปแสดงบ้าง ก็คือหากมีคำถามว่าพ่อเฮไรตอบว่านยะว่าภิกษุณีเหล่านั้นเมื่อพระเทรสเวยรา จ, จะสมบัติอยู่ในชมพูทวีปเมื่อชาติก่อนเป็นนางสนมคือภิกษุณีห้าร้อรูปเนี่ยนะเคยเป็นสนมของพนันทะในในอดีตชาติเหมือนกันเถอะพระเทระได้ทราบเหตุการณ์นั้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณทันละลึกชาตรูอพวกนี้เคยเป็น บาดบริจาริกาเป็นสนมกำนันนางในเหมือนกันก็เลยคิดว่าภิกษุอื่นที่ได้บุพเพนิวาสานุสติยานเมื่อได้เล็งเห็นเรานั่งกลางภิกษุนีสงนี้จักชักเอาข้อเปรียบเทียบและเหตุการณ์ต่างๆมากล่าวทําอยู่นะนะก็จะพึงมองเหตุการณ์นี้แล้วสําคัญคําที่จะพึงกล่าวว่าพระนันทกะไม่ยอมทิ้งพวกนางสนมจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เดี๋ยวองเอิญเขาละลึกชาติได้บ้างเหอเอา้าว เอ้นี่องนี้ไม่ยอมทิ้งสนมกำนันเลยเนี่ย น, นี่พวกสนมนี่ก็คือสนมในอดีตบวชมาแล้วก็ยังตามโอวาสัางสอนกันอยู่นั่นแหละเนีเดี๋ยวก็มีคนอื่นไปค้อนขอตำเนี่ยพาทหารเข้าบาปนะเพราะนั้นท่านพนันธกะจึงมีสนมกำนันห้อมล้อมช่างงามแท้คำว่าเง้นทั้งบวชแล้วก็ยังมีสนมมาห้อมล้อมอยู่นั่นแหละคำวา่าะงิน เมื่อพิจารณาเห็นความข้อนี้พระเถระจึงไม่ยอมทาเวรของต น, ง น, นถึงวาระไม่ไปและเล่ากันมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าธรรมเทศนาของพระเถ ร, ระเท่านั้นจึงจะเป็นที่สปายะแก่ภิกษุณีเหล่านั้นจึงรับสั่งเรียกพระนันทกะมาในครั้งนั้นแลั น, นก็คือคนอื่นนี้ไม่มีใครที่จะแสดงธรรมและภิกษุณีรุ่กลุ่มนี้บรรลุได้นอกจากพระนันธกะ พคือพระองค์นี้เป็นผู้ที่รู้อัธยาศัยว่าสัตว์เหล่านี้เป็นพุทธเวไนถ้าเป็นพุทธเวไนพระพุทธเจ้าจะไปแสดงทั้งหมดเลยเห็นไหมเป็นภาระของพระองค์ที่จะต้องแสดงให้เขาบรรลุธรรมหมดเลยถ้าเป็นสาว ก, กเวไนพระองค์ก็จะให้สาวกเนี่ยแสดงแทนเห็นไหมชุดไหนถ้าสาวกองคใดแสดงแล้วบรรลุพระองค์ก็จะให้สาวกแสดงแต่ถ้าเป็นธรรมะเวไนยจะบรรลุด้วยธรรมพระองค์ก็ธรรมเนี่ยฝากฝากังธรรมะเอาไว้เนี่ยก็จะตรัสรู้ด้วย ธรรมะเนี่ยนั้นพระองค์นี้ทํากิจของพระองค์อย่างบริบูรณ์ไม่บกพร่องเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นภิกษุณีชุดนี้ก็เหมือนกันว่าจะตรัสรู้ธรรมได้โดยพระนันทกะเป็นผู้ผู้แสดงเนี่ยนะพอพระผู้มีพระภาคสั่งพระนันตกะ ก, ก็รับว่าชอบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแล้วนุ่งสบงทรงบาดจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างพระนครสาวัตถีในเวลาเช้า ครั้นจะกลับจากเบิธาบาดภายหลังเวลาอาหารแล้วเข้าไปยังนิเวศเอ่อเข้าไปยังวิหารราชการามแต่รูปเดียวภิกษุนีเหล่านั้นได้เห็นท่านพนันตกะเดินมาแต่ไกลก็พากันแต่งตั้งอาสนะและตั้งน้ําสําหรับล้างเท้าไว้ท่านพนันธกะนั่งบนอาสนะที่เขาแต่งตั้งไว้แล้วจึงล้างเท้าแม้พิกษุณีเหล่านั้นก็ถวายอภิวาสท่านพนันทกะแล้วนั่งหน้าที่ควร ส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระนันธ ก, กะได้กล่าวดังนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเนี่ยนะทีเทศท่านไม่เทศเหมือนองค์อื่นนะองค์อื่นมาถึงแบบปลาตะกรถาเลยองค์นี้ไม่อะเทศแบบสนทนากาาันว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายจักต้องมีข้อสอบถามกันแลในข้อสอบถามนั้นน้องหญิงทั้งหลายรู้อยู่พึงตอบว่ารู้ ไม่รู้อยู่ก็พึงตอบว่าไม่รู้นะก็ต้องมีการพูดการคุยการถามกันบ้างนะถ้ารู้ก็บอกว่ารู้นะไม่รู้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าหรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงทวนถามข้าพเจ้าในเรื่องนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้อนี้เป็นอย่างไรข้อนี้มีเนื้อความอย่างไรนะถ้าสงสัยก็ถามได้นะว่าไ ภิกษุณีเหล่านั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพวกดิฉันย่อมพอใจยินดีต่อพระผู้เป็นเจ้านันทกะด้วยเหตุที่พระผู้เป็นเจ้านันทกะประเวณาแก่พวกดิฉันเช่นนี้นะชอบเลยโอ้โหเขาให้โอกาสเราหน้าดูเลยเหมือ น, นัทีนี้พระ น, นันท ก, กะก็เลยถามมาดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงนะจากสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะภิกษุณีเหล่านี้เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในคําสอนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะ กล่าวถามว่าจากักรโคภาษาธะเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงแสดงว่าพื้นฐานของพิษุณีเหล่านี้ต้องรู้อยู่แล้วว่าจากักรโคภาษาธา this เป็นรูปที่อาศัยมาภูตรูปเนี่ยนะแล้วมีกา ร, รเป็นสมุทฐานเนี่ยนะพื้นฐานนี้ต้องรู้เป็นอย่างดีอยู่แล้วว่าน้องหญิงจักสุดเที่ยงหรือไม่เที่ยงว่า ง, งั้นไม่เที่ยงเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขพิษุณีก็บอกเป็นทุกข์เจ้าค่า สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุก์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราควรไหมที่จะตามเห็นแบบนั้นพิกษุณีบอกไม่ควรเลยเจ้าค่าเนี่ยนะก็ค่อยๆถามแบบนี้น ะ, ะผู้ที่เขาเขามีการอบรมนะเขาใคร่ครวนเรื่องนี้เป็นอัธยาศัยก็ตรึกตามในการใคร่ครวญนี่นะ พื้นฐานของจักรคูภาษาธรูปซึ่งเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่แล้วก็มีมีรายเวดล้อมเนี่ย น, นะมีจิตตะชรูปมีอุตูชรูปมีอาหารชรูปเป็นรูปที่ช่วยบำรุงอุปธรรมเพราะฉะนั้นจักรคูอนนาเนี่ยแล้วแต่สมุธฐานแล้วแต่ปัจจัยถ้ามีปัจจัยจักรคูก็ยังอยู่ต่อไปถ้าหมดปัดจจัยจักรคูเหล่านั้นก็ถึงความไม่มีเพราะฉะนั้นแต่เดิมจกักรคูไม่ได้มีมาก่อนแต่ได้ปัจจัยพร้อมจกักรคูก็มีขึ้น เนี่นะพอความบกพร่องของปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหมดไปจากโคก็หมดไปอันใครครวนอันนี้ให้บ่อยๆว่าอันเป็นสัมมสนะหรือตีระณะอะ่สัมมสนะกับตีระณะนี้โดยความหมายอันเดียวกันคือการใครครวนการพิจารณานั่นเองอ น, นะเพราะฉะนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็คือไม่เที่ยงคือเป็นอย่างไรคือมีแล้วหามไม่มีนะ เมื่อสิ่งใดก็ตามที่มีแล้วหามไม่มีแล้วหมดไปจากไม่มีมามีขึ้นเมื่อมีขึ้นแล้วหมดไปเนี่ยนะแต่ว่าที่ที่ไม่มีแล้วมีขึ้นเนี่ยนะต้องรู้ปัจจัยเป็นอย่างดีนะทำไมจึงมีเนี่ยนะก็เหมือนกับอาหารนี่แหละเอออยู่ๆทำไมอาหารจึงมีอ้าวมีแล้วก็หมดไปแล้วแต่ว่าก่อนที่จะมีอาหารเนี่ยนะเครื่องปรุงประกอบเท่าไหร่จึงอาหารช่วยนั้นจึงจะมีอา้าวมีแล้วทาไมจึงหมดนะก็รู้ปัจจัยด้วยรู้ทั้งเหตุเกิดและ ปัจจัยของเขาเลยใครครวญว่าจากไม่มีแล้วมีขึ้นอ้าวสิ่งใดที่มีแล้วหมดอย่างงี้เนี่ยสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์สิเนาะมันจะมีความสุขได้ยังไงมีแล้วหมดไปอะ่ะเพรา ะ, ะนั้นสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวันนั้นของเราควรไหมที่จะตามเพลิดเพลินกับสิ่งนี้บอกไม่ควร บอกนั่นเราควรไหมที่จะไปเพลิดไปสําคัญหมายด้วยอํา น, นาจของมานะบอกว่านั่นอัตาของเราควรไหมที่จะตามสําคัญหมายว่านี่ตัวอัตาเออตาคื อ, อจกักรคืออัตาอัตามีขึ้นเมื่อมีแล้วก็หมดไปเนี่ยควรไหมที่จะตามสําคัญมั่นหมายในลักษณะนั้นบอกไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉโสตะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะ หูในเที่ยงหรือไม่เที่ยงเพราะหูก็มีกรรมเป็นสมุทฐานเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปเหมือนกันเนี่นะเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตารูปมหาภูตรูปเป็นนิสยาปจัยเนี่ยนะเป็นสหชาตปัจจัยเป็นต้นของการเกิดขึ้นของโสตประสาธรูปเนี่ยนะซึ่งมีจิต ต, ชตัชรูปอุตตชรูปอาหารชรูปเนี่ยเป็นตัวอุปธรรมแวดล้อมช่วยบำรุงรักษาไว้เนี่ยนะเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยนะ พื้นฐานของโสตะภาษาทะเหล่านั้นเนี่ยนะซึ่งเกิดด้วยปัจจัยเมื่อสิ่งใดก็ตามเกิดด้วยปัจจัยเนี่ยนะสิ่งนั้นเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมะที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมีแล้วก็หาไม่มีมีแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นก็มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกว่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่น ของเรานั่นเรานั่นอัตราของเราบอกไม่ควรเจ้าข้าว่าไงก็ไล่ต่อไปว่าคาณะเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเราก็ไม่ควรเนี่ยนะนะชิวหาภาษาทะซึ่งเป็นรูปความใส <S <S ของรูปซึ่งสามารถรับ รับกลิ่นได้เนี่ยนะคานาะภาษาเนี่ยนะเมื่อกี้พูดคานะหรืชิวหาชิวหานะเอ๊ะชักไปกันใหญ่แล้นึกถึงจะโมกแต่ปากกับชิวหาขัดข้องเนาะงั <c> ้น <oughs> <c oughs> นะคานาะภาษาทะเนี่ยน ะ, ะเป็นรูปซึ่งอาศัยมหาภูตรูปเป็นความใสของมหาภูตรูปซึ่งสามารถรับกลิ่นได้คานาะภาษาทะซึ่งเป็นกา ร, รมชรูปอันนี้เนี่ยนะ เป็นถามว่ากรรมมชรูปที่มีความใสของหมาปูตรูปเกิดจากกรรมกรรมอะไรที่ทําให้มีคานาภาษาธะตุนี้กรรมอะไรที่ทําให้มีความใสของจมูกอันนี้กรรมนั้นก็คือส่วนหนึ่งนะก็เกิดจากตันหาที่เป็นเหมือนกับแม่สร้างให้เกิดตันหาที่ยินดีในกลิ่นเป็นตัวสร้างจมูกเนี่ยนะเอาจมูกเราเกิดจากไหนก็เกิดจากการชอบกลิ่นนั่นแหละความชอบกลิ่นนั่นแหละเป็นปัใจจัยให้เกิด จมูกหรือถ้าสันฐานรูปร่างโครงสร้างของจมูกเป็นต้นส่วนหนึ่ง <c oughs> ก็อาจจะทำกรรมและปรารถนาแบบนั้นก็ได้เห็นไหมมันก็เกิดจากปัจจัยเมื่อเกิดจากปัจจัยเนี่ยนะถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องไปเขาก็หมดไปแต่ว่าในในลักษณะเนี่ยเป็นกา ร, รเข้าไปใคร่ครวนนะไม่ใช่ไปคิดให้มันแตกเออเมื่ อ, อไหร่มันจะแตกสักทีจะได้เห็นไม่เที่ยงไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าพระอรหันต์ท่านเจ็ขวบเนี่ยท่านก็ อายุเ็ดขวบเนี่ยจมูกของท่านก็ยังปกติใช่ไหมแต่ท่านไข้ครวนสิ่งเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนวิจัยสิ่งเหล่านี้ตลอดสายหมดแล้วไม่ใช่ให้มันพังไปก่อนนะเออใช่ไม่เที่ยงไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่โอ้รอให้มันเสียหายก่อนแล้วค่อยว่าเออไม่เที่ยงไม่ใช่เลยเนี่ยนะเพราะผ้ารหั่นเนี่ยมีตนะั้งอายุเจ็ดขวบกว็เป็นเป็นผ้าหาั่นเพราะท่านไข้ครวนสิ่งเหล่านี้มาเป็นอย่างละเอียดแล้วถ้ารู้พื้นฐานของปัจจัยเป็นอย่างดีแล้วไข่ค ร, ครวญก็ก็ดีนะ แต่ถ้าไม่รู้เรื่องของปัใจจัยในของตาหูจมูกเลนส์กายใจยเป็นต้นเนี่ยนะการใคร่ครวญถึงความไม่เที่ยงนั้นถ้าใคร่ครวญไม่ดีก็เป็นกุจเฉททิฏฐิได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงไปหมดเลยแล้วก็จิตก็โลภะเท่าเดิมนั่นแหละโทสะเท่าเดิมเพราะคนที่ใคร่ครวญถึงเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกแปนหน้าตาบ่อยๆเนี่ยคนนั้นทิฏฐิวิสุทธิกังขา ว, วิตรณะ ว, วิสุทธิเขาเป็นอย่างดีแล้ว ยาตะปริญญานี้สมบูรณ์แนละ้วแต่แต่ของเราก็ไม่ต้องรอให้ยาตะปริญญาสมบูรณ์ก่อนอยาตะปริญญาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการไข้ ค, ควรแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆขึ้นการพิจารณาธรรมะชั้นสูงนั้นจะดีตรงที่ว่าธรรมะที่เราสมมุติถ้าเรากําลังทําอะไรอยู่นะถ้ามองเลยไปเนี่ยจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ง่ายขึ้นสมมุติถ้าเราพิจารณาเรื่องอยาตะปริญญาแล้วไม่ค่อยเข้าใจมากนักเหมือนันเด้อ ไปดูตีระณะปริญญาอีกครั้งหนึ่งแล้วย้อนกลับมาดูยาตะปริญญาแล้วจะบริบูรณ์ขึ้นจะเข้าใจดีขึ้นให้ดูที่สูงก่อนแล้วมองลงมาก็จะเข้าใจในสิ่งนั้นง่ายแต่บอกว่าให้ละเอียดก่อนนี้ก็จะยากเหมือนกานกลาเป็นว่าเพราะไม่รู้เมื่อไหร่เราจะเพียงพ อ, อถ้าเราจะเพียงพอหรือไม่ในการทำตีระณะปริญญาก็คือพอเรารู้เรื่องปัจจัยดีระดับหนึ่งก็ไปฝึกไข้ครวนตีระณะดู ถ้าใครควรไปไม่ได้แสดงว่าเราบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทํากลับไปกลับมาแบบนี้บ่อยๆนะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการฝึกฝนพัฒนาขึ้นเนี่ยนะรอให้เกิดเองไม่เกิดนะคิดดูว่าพระนันทกะถามนํำนะใช่ไหมท่านถามนําก่อนทําไมไม่ให้คิดเองอะ่ะเรารอให้คิดเองไม่มีคิดหรอกเชื่อจะโง่เราเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เคยคิดเลยนะเกิดมาแทบไม่เคยคิดอย่างนี้เลยแต่ท่านถามนาก่อนเที่ยงไหมนะ ทีนี้กล่าวต่อไปว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายชิวหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรนะนะชิวหาก็เป็นความใสของหมหาภูตรูปซึ่งสามารถรับรดได้เป็นกรรมมชรูปกรรมมชรูปเหล่านี้เนี่ยทำไมจึงมีลิ้น เลนเกิดจากอะไรเกิดจากกรรมกรรมอะไรที่ทำให้มีลิ้นกรรมที่มีตัณหาที่ชอบรถนั่นแหละเป็นปัใจจัยให้กรรมอันนั้นให้ผลมีลิ้นเลยอันถ้าชอบรถก็ชอบลินน่ะถ้าชอบลิ้นก็ชอบทุกข์อ่ะอ่ะทุกทุกที่ไหนนอะทุกข์ก็อาหารไม่ถูกปากถูกคอถูกใจนั่นแหละทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแหละอ่ะก็สลับสลับทวาดูนะ ดุกาน้ อ, นองหญิงทั้งหลายกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงว่างั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควูวรจ้าค่ะว่างั้นมโนเที่ยงหรือไม่เที่ยงมโนก็คือจิตนั่นแหละนะซึ่งคนที่จะเข้าใจเรื่องจิตเนี้จะต้องมีพื้นฐานดีแล้วใช่ไหมว่าจิตนั้นเกิดจากอะไรถ้าจากขู่กับสีเรียกว่า จาครูวิญญาณจึงเกิดใช่ไหมอ๋อถ้าโมโนโตัวนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องของผวังกับอวัชนะทวะโมโน เ, ท, เ, ท, เ, ท, เนที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยงหมายถึงว่าผวังกับจิตเนะี่ยเที่ยงหรือไม่เทีย่ยงเหมือนนเถอะผวังกับอวัชนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมเพราะว่ า, าวิญญาณากหกจะกล่าวข้างหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องหมายถึงผวังกับอวัชนะสมมติว่าภวังเนี่ยนะ จากการเห็นทางตาไปทางหูเนี่ยนะจะมีผวังขั้นก่อนจากเห็นไปได้ยินจะมีผวังขั้นจากได้ยินไปรับกลิ่นก็ผวังขั้นอย่างอย่างคําพูดของธรรมาที่พูดแต่ละคําออกไปเนี่ยนะมีผวังขั้นก่อนหมดเลยเนีย่ยนะก่อนที่จะพูดแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยมีผวังขั้นหมดเลยถ้าผวังอันนั้นทํากิจจุติปัป๊บแสดงว่าเปลี่ยนภพแล้วเนีย่ยนะอันผวังนั้นยังทํากิจสืบเนื่องอยู่แล้วก็เรียกว่าผวงังก็จิตชาติเดียวกันกันกบชาติปฏิสนธิ นะประเภทเดียวกันกับปฏิสนธิจุตินะพวังอันนี้ภวังอันนี้เนี่ยถ้าเป็นอุปนิสัยแก่อวชนะหรือมโนทวารวชนะมโนทวารวชนะสามารถเกิดต่อไปได้เรียกว่าภวังถ้ามโนทวารวชนะไม่เกิดต่อละจิตดวงอื่นเกิดแทนเรียกว่าปฏิสนธิแปลแดงว่าเปลี่ยนอารมณ์และเปลี่ยนวัตถุละการเกิดพบใหม่ก็คือเปลี่ยนวัตถุเท่านั้นเองนะนะเปลี่ยนวัตถุพอเปลี่ยนวัตถุเปลี่ยนอารมณ์จิตชาติวิบัติ ก็จะเกิดขึ้นอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลของกรรมในอดีตเรียกว่าปฏิสนธิก็จะเกิดขึ้นชีวิตก็เป็นไปในลักษณะนี้นั่นแหละไม่มีสัตว์ใดไปเกิดไปตายอะไรในนั้นหรอกเป็นไปสืบเนื่องกันฉั้นมโนอันนี้เนี่ยนะถ้าสลับแต่ละทวารเมื่อมโนเนี่ยนะเกิดขึ้นจากทวารตาไปหูเป็นต้นเนี่ย้ผวังก็ขั้นระหว่างผวังอันนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะถ้ามันเที่ยงก็ผวังไปตลอดสิแต่นี้ไม่ใช่ผวังได้ปัจจัยเขาก็เกิดขึ้นปัจจัยของผวังคืออะไร กรรมเป็นปัจจัยของภวังนั่นเองวิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัยอีสังขารเป็นปัจจัยนะสังขารก็คือกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณก็คือภวังนั่นเองอั้นวิญญาณเนี่ยหรือแม้กระทั่งทวารตาทวารเดียวเนี่ยนะเห็นปุ๊บเนี่ยจากครูทวารวิถีหมดไปไปเป็นมโนทวารวิถีสืบต่อไปก็จะมีภวังขั้นก่อนอนะนะไปหามโนทวารแล้วมโนทวารเนี่ยนะชาวนะเจ็ดวงต้องมีภวังขั้นก่อน ชวนะเจ็ดวงมีผวังขั้นชาวนะเจ็ดวงมีผวังขั้นเนี่ยนะทางมโนทวารอาศัยภวังกับมโนทวาราวชนะชาวนะจิตก็เกิดขึ้นเพราะนั้นผวังเนี่ยนะถ้าภวังยังเกิดอยู่ชาวนะจิตจะเกิดไม่ได้เพราะพอชาวนะจิตเกิดแสดงว่าภวังนั้นหมดไปแล้วแสดงว่าคนที่รู้อย่างนี้ต้องรู้ปัจจัยของภวังมาเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมว่าผวังนั้นมีกรรมเป็นปัจจัยมี วัตถุคือหัตถยะวัตถุมีอารมณ์คือกรรมนิมิตคตินิมิตหรื อ, อกรรมมะอารมณ์อย่างใดยอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์เนี่ยนะผวังก็เกิดขึ้นหมดปัจจัยภวังก็ก็หมดไปเนี่ยนะถ้าสังขารไม่มีผวังอันนั้นก็ไม่มีเพราะฉะนผวังเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นเรานั่น ตาของเราก็ไม่ควรเนาะอ่ า, อาถามว่าทําไมจึงไม่ควรอ่ะที่ไม่ควรว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราอะ่ะทำไมจึงไม่ควรล่ะพนันทกะก็ถามภิกษุณีภิกษุณีก็บอกว่า <T> เพราะเมื่อก่อน <T> พวกดิฉันไม่ได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริง <T> คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เห็นแบบนี้หรอกคือไม่ได้เจริญว่าือนันเด้อ เห็นด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นด้วยวิปัสนาปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงคือเมื่อก่อนไม่ได้เจริญปัญญาแบบนี้หรอกว่างั้นเพราะฉะนั้นว่าไม่เคยเจริญปัญญาว่าอายตนะภายในของเราหกไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าข้าเขาไม่เที่ยงเพราะเขาหมดปัจจัยเขาก็หมดไปว่างั้นเมื่อก่อนไม่เคยพิจารณาแบบนี้เลยนะอย่าลืมว่าปัญญาอันนี้เกิดจากการใคร่ครวญเมื่อใคร่ครวญจึงมีนะรอให้มันคิดเองเนี่ยอย่าวังเอนะเห็นไหม เงื่อนี่นะถ้าไม่ออกกําลังกายถ้าอยู่ธรรมดาธรรมดาถ้าไม่ออกกําลังการ์นี่เงื่อไม่ออกนะเพราะแอบความคิดบางอย่างเนี่ยนะจะต้องมันไขขวดแล้วความคิดบางอย่างจึงจะเกิดขึ้นปัญญาก็เหมือนกันโยคาฮาเวปัญญาภูริใช่ไหมปัญญาเนี่ยเกิดจากการประกอบนะถ้าไม่ประกอบปัญญาไม่เกิดเกิดจากโยคะการประกอบบ่อยๆปัญญาจึงจะเกิดแต่อย่าลืมว่าปัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้สมาฮิโต้แบบนั้นมีสมาธิเป็น เหตุใกล้แห่งปัญญาสมาธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสุขเป็นเหตุใกล้นะสุขมีอะไรเป็นเหตุใกล้ปัสสัทธิเป็นเหตุใกล้ปัสสัทธิมีอะไรเป็นเหตุใกล้ปิติปิติเป็นเหตุใกล้ปิติมีอะไรเป็นเหตุใกล้ปราโมดปราโมดมีอวิปปิสานอวิปปิสารมาจากศีลกุศลศีลเนี่ยนัก็คือสุจเรดนั่นเองสุจเิตมีอะไรเป็นเหตุใกล้ นะมาจากอินทรีย์สังวรสีสังวรมีสติสัมปชัญญะเป็นเหตุใกล้สติสัมปชัญญะมามีอะไรเป็นเหตุใกล้สติสัมปชัญญะมีโยนิโสโยนิโสมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีศรัทธาศรัทธามีอะไรเป็นเหตุใกล้การฟังภรสัตธรรมนันะนะแสดงว่าจําได้มากนะจึงมีศรัทธาจําไม่ได้ศรัทธาอะไรจะเกิดสักอย่างนะ การฟังสัตย์ธรรมฟังนี้มีอะไรเป็นเหตุใกล้มีอะไรเป็นอาหารมีอะไรเป็นปัจจยัยครบสัตว์บรุษเป็นต้นนั่นเองครบสัตว์บรุษมีอะไรเป็นเหตุใกล้รู้ไหมปฏิรูประเทศวาสะแสดงว่าอยู่ในถิ่นฐานที่เหมาะสมะทําไมจึงได้เกิดในถิ่นฐานที่เหมาะสมเพราะปุเพกะตะปุญญาตาคนนั้นบุญเก่าเยอะทําไมเขาจึงมีบุญเก่าแสดงว่าชาติก่อนๆ น, นั้นเขาเจริญบุญมาเขามีอัตมาสมาปณิที่เขาตั้งจิตไว้ชอบ อันพบต่อไปของเราถ้าเรามีอัตตาซ้ำมาปณิทิคก็แสดงว่าเป็นไปตามนัยยะนี้เหมือนกันอแสดงว่าของที่แล้วชาติที่แล้วไม่ดีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมชาติหน้าเราเลือกได้นะคนเราเลือกเกิดไม่ได้ดอกหมายถึงว่าชาติที่แล้วมาเกิดชาตินี้มันเลือกไม่ได้แต่ชาตินี้จะไปข้างหน้านี้เลือกได้นะคือเอ๊ถามว่าไม่อยากไปนรกอ่ะมันเลือกไม่ได้จะต้องไปนรกอ่ากว่าคุณเลือกทํากรรมไว้แล้วนี่อั้นกรรมที่เราทํานี่ใครเลือกให้เราทําคําที่เราพูดใครเลือกให้เราพูด ความคิดของเราเนี่ยใครให้เราคิดแล้วคิดเองงั้นถ้าเลือกพูดเลือกทําเลือกคิดได้เนี่ยแหละเลือกพบเกิดได้นะถ้เลือกกรรมใช่ไหมถ้าเลือกถ้าทํากรรมเป็นกรรมมาวจรพบมาก็เป็นกรมมาวจรถ้าเลือกทํากรรมที่เป็นรูปาวจรพบหน้าต้องเป็นรูปาวจรถ้าทํากรรมที่เป็นอรูปาวจรพบหน้าก็เป็นอรูปาวจรถ้าทำมรรคกรรมปรินิพานก็แล้วแต่กรรมอ่ะสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมโลกเป็นไปตามกรรมไม่งั้น แล้วแต่เจตนาจะดีจะชั่วจะตกจะต่ำก็แล้วแต่อานุภาพของเจตนาไม่มีกำลังใดเรียวแรงใดเสมอด้วยเจตนาเจตนานี่มีกำลังที่สุดเลยมันและเจตนาของเราที่เราคิดเนี่ยนะหลอกตัวเองก็ไม่ได้ด้วยนะหลอกอย่างอื่นอาจจะหลอกได้เนี่ยนะใช้วาทโวหารพูดอย่างนั้นอย่างนี้คน อ, อาจจะเชื่อใช่ใช่แต่เจตนาเนี่ยนะหลอกมันไม่ได้หรอกเนี่ยนะ เพราะเจตนาหลอกไม่ได้เนี่ยแหละเวลาทุกมันให้ผลเนี่ยนะมันก็มันไม่หลอกเรานะมันเจ็บจริงๆนะปวดหัวก็ปวดจริงๆนะไม่ได้หลอกเย้ยฉันจะหลอกแกนะ่าฉันจะปวดหัวไม่หลอกนะทุกขากายญาวิญญาณได้ปัจจัยมันเกิดทันทีเลยทีนี้ต่อไปว่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละพระอริยาสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหลอริยาสาวกเนี่ยท่านตามไพรครวนอย่างนี้แหล ว่างั้นอ่ะเป็นงานหลักของท่านเลยว่างั้นเถอะเขบอกว่าถามว่าประพฤติพรหมจรนายพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่ออะไรเพื่อปริญญาสามในทุกอย่างนี้นะนั่นคืว่าเป็นเป็นกิจนะนะเขาบอกว่ากำหนดรู้เนี่ยถ้าใช้คําว่ากําหนดรู้ก็แค่ไปเพราะว่าใช้คําว่าปริญญาเนี่ยกว้างใช่ไหมการตามใคร่ครวญความจริงอะไรสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าพรหมจรนายศาสนานี้การที่ที่มีสิกขาเนี่ยเรียกว่าอธิปัญญาศิกขาในการใคร่ครวญอย่างนี้เนี่ยนะ ผู้ที่ใคร่ครวรอย่างนี้บ่อยๆก็สามารถข้ามความสงสัยได้สามารถทำที่สุดแห่งวัตถุทุกได้ดูก่อ น, น้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนัยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปคือสีสีเนี่ยเป็นรูปที่อาศัยอะไรเกิดอาศัยมหาภูตรูปเป็นนิสยะปัจจัยเนี่ยนะเป็นสหาชาตาชาตินิสยะ อ, อวิคตะเนะสหาชาตานิสยะเนี่ยให้มั สีเนี่ยเกิดขึ้นแต่ว่าสีไม่ได้เป็นปัจจัยกับมหาพูทธรูปนะมหาพูทธรูปเป็นปัจจัยกับสีอย่างเดียวอ่าแล้วมหาพูทธรูปมันนั้นมีสมุทฐานคือเพราะอย่าลืมว่าธรรมะที่พระองค์เน้นมากก็คืออะไรถ้าเป็นทิ่สูงนะนะเกสาโลมานะขาธันตาตะโจนี่อย่าไปคิดเรื่องอื่นนะมหาพูทธรูปอย่าไปมองหาที่อื่นนะที่ไหนมหาพูทธรูปที่เกสาโลมานะขาธันตาตะโจน่ะนะ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อนั่นแหละผมขนเล็บฟันหนังนี่นแหละหมาปูตรูปที่นั้นนะสีที่อาศัยหมาปูตรูปที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อนั่นแหละก็ไข่ครวญว่าสีทึ่งมีหมาปูตรูปเป็นเป็นนิสยะปัจจัยเนี่ยนะหมาปูตรูปนั้นที่เป็นปัจจัยให้เกิดสีมีสมุทรสี่ประการกรรมจิตอุตุและอาหารเนีย่ยนะ พันสีที่อาศัยปัจจัยต่างเยอะแยะเนี่ยนะแล้วปัจจัยแต่ละอย่างเนี่ยนะก็แปรปลวนของเขาใช่ไหมมหาภูติรูปเหมือนกันอะไรนะสารพิษใช่ไหมเกิดทะเลาะกันเองเนี่ยนะสีเปลี่ยนไปด้วยนะมหาภูตรูปธาตุดินมากธาตุน้ํามากหรือธาตุลมมากเนี่ยมันกัดกันเองป๊บเนี่ยสีเปลี่ยนไปตามนั่นแหละสีก็แล้วแต่มหาภูตรูปเพราะันเมื่อมหาภูตรูปแปรไปสีก็เปลี่ยนไปด้วยเมื่อสีเปลี่ยนนั้นสีเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง แต่ถามว่ารอให้มันเปลี่ยนให้เราเห็นเห็นก่อนเออใช่ไหมเที่ยงเลยอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะฉนั้นเขาจึงมีการใคร่ครวนทั้งภายในทั้งภายนอกเนี่ยนะทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตและปัจจุบันไม่ได้รอให้หุ่นนั่งดูเมื่อไร่เล็บจะไม่เที่ยงหาอะไรมาเคาะ ไ, ม, ไม่เอาอะไรมาขูดดูที่ทเที่ยงหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นเรื่องของการเข้าแบบใครครวญคํานึนงเป็นงานวิจัยว่างานเดียววิจัยทั้งภายในและภายนอกทั้งอดีตอนาคตและ ปัจจุบันพันสีนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงวง่าง้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์พระเจ้าคะ่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าค่ะดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนัยเสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมเสียงในชัดเลยนะแต่ละคําแต่ละคําที่ผ่านไป บอกว่าไม่เที่ยงเจ้าข้าเสียงใดไม่เที่ยงเสียงนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะเสียงมีอะไรเป็นปัจจัยอ่ตทีนี้ถ้าเราจะถามบอกเสียงไหนล่ะเหมือนนเะสียงไหนเหมือนกันถ้าเสียงที่มากําลังพูดมีมีจิตเป็นสมุทฐานแต่ว่ามหาภูตรูปที่กระทบแก้วหูจริงๆเนี่ยนะอันนั้นะอุตุเป็นสมุทฐานแต่ว่าฐานของเสียงที่เปล่งมาทีแรกมีจิตเป็น สมุดฐานเน้นไปที่สมุดฐานเดิมของเขาเนี่ยนะเน้นไปที่สมุดฐานเดิมของเสียงอันนั้นเสียงอันนั้นซึ่งมีจิตเป็นสมุดฐานเนี่ยนะทำไมเสียงแต่ละคนไม่เหมือนกันฐานเสียงไม่เหมือนกันฐานเสียงนั่นเป็นกรรมมชรูเนี่ยนะกรรมแตกต่างการจำแนกให้บางคนเสียงอย่างเสียงของพระผู้มีพระภาคเหมือนเสียงมหาพรหมเนี่ยนะเสียงประกอบไปด้วยองค์แปดเสียงนุ่มเสียงลึกกล่องกังวานไพเราะเนี่ยนะ ของพระ อ, องค์เนี่ยเสียงประกอบด้วยองค์8ปดก็จะเสีย ง, งเหมือนเสียงมหาพรหมอันนี้มาเกิดจากกรรมที่ดีเป็นปัจจัยให้มาเกิดจากกรรมเก่าบางอย่างเป็นปัจจัยให้เพราะฉะนั้นเสียงแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันก็จากฐานที่แตกต่างกันแต่เสียงก็คือเป็นรูปชนิดหนึ่งที่อาศัยมาภูตรูปเนี่ยนะถ้าได้ปัจจัยเสียงก็จะเกิดขึ้นหมดปัดจจัยเสียงก็หมดไปว่า ง, งั้นได้ปัจจัยท่านปัจจัยของเสียงเหล่านั้นก็ถ้าเสียงที่คนพูดก็แล้วแต่จิต โลพาจิตก็เป็นปัจจัยให้พูดได้โทสะโมหะมานะทิฏฐิก็เป็นปัจจัยให้เสียงเหล่านั้นเปล่งออกไปได้หรือเกิดจากมหากุศลก็ได้มหากุศลนั้นมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมียิเรโอตปะเป็นสมุดฐานให้เกิดการพูดเหล่านั้นนั้นก็ได้เราก็ต้องหมั่นใคร่ครวนถึงปัจจัยที่ที่เป็นเหตุให้ให้เกิดเสียงนั้นเวลาเราได้ยินเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยพยายามใส่ใจไปที่สมุดฐานของของเสียงนั้นน่ะ อย่างเช่นคนพูดนะพยายามสังเกตด้วยจิตอะไรที่ทําให้เขาพูดถามว่าจิตอะไรที่ทําให้เขาพูดเนะี่ยเราก็สังเกตดูเขามีอะไรเป็นอารมณ์ในขณะที่เขาพูดก็จะบ่งถึงถ่ายจิตเขาได้เลยว่าจิตชนิดนั้นเป็นจิตประเภทไหนเป็นโลภะจิตโทสะจิตหรือโมหะจิตหรือบางทีก็สังเกตที่น้ําเสียงก็ได้เนี่ยนะก็สา ม, มารถรู้ได้เสียงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยเนาะต่อไปกลิ่นเที่ยงหรือไม่เที่ยงกลิ่นนั้นก็อาศัยมาพุรูปอีกนั่นแหละ รสเที่ยงหรือไม่เที่ยงรถก็เน้นรถที่เราสนใจมากก็คือรถท้ายนกเนี่ยนะระสารลมซึ่งเกิดร่วมกับอวินิโพครูปปันรถเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเอแล้วก็โพธะพระโพธะพะก็คือมหาภูติรูปเลยนาะโพธะพะเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหมือนกันแล้วก็ธรรมรมธรรมะเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยงเกี่ยวข้าสิยงใดไม่เที่ยงสิ่งนั้น เป็นทุกข์หรือเป็นสุขวันนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวันนั่นของเรานั่นเรานั่ น, น, น, น, นอัตตาของเราบอกไม่ควรเลยเจ้าข่าถามว่าเพราะเหตุไรอภิกษุณีก็บอกว่าเพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันไม่ได้เห็นข้อนั้นด้วยดีด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าอายตนะภายนอกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าข่าวเมื่อก่อนไม่ได้เจริญวิปัสสนาไข้ครวนแบบนี้มาก่อนเลย ไม่เคยคร่ครวนนะเออเขาไม่เที่ยงเพราะปัจจัยเหล่านี้เหล่านี้ไม่เคยคิดเลยบังกันเพราะฉะนั้นดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละอริยะสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละใช้คำว่าอริยสาวกนะผู้สาวกที่ได้สดับมาแล้วเนี่ยเขาค ร, คร่ครวนจเจริญปัญญาแบบนี้แหละ ดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉะไหนจากสุวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงตากับสีจึงเกิดจากขูวิญญาณใช่ไหมถ้ามีตาไม่มีสีไม่มีแสงสว่างไม่มีมนัสการจิตเห็นก็ไม่เกิดมีตามีสีไม่มีแสงสว่างเห็นไม่ได้นะสมมุติว่าสีเนี่ยสีอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะสีของหนังสือเนี่ยนะถ้าไม่มีแสงสว่างเนี่ยนะมีตามีสีก็ไม่เกิด ตามีสีมีแต่ดูไปที่อื่นไม่มีมนัสิการก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นไอ้จิตเห็นเนี่ยมันก็อาศัยปัจจัยเหล่านี้เพราะฉะนั้นจักรุวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าได้ปัจเขาไม่ได้เกิดรอใช่ไหมมีจักรคูวิญญาณใครเกิดรอบ้างไม่มีนะเขาได้ปัจจัยก็ก็เกิดเลยอย่างที่ทุกคนจะพูดเนี่ยนะเสียงมีใครเสียงเกิดรอก่อนแล้วให้พูดใช่ไหมเสียงก็จะเกิดเลยไม่ใช่นะถ้าได้ปัจจัยเสียงก็จะแป่งออกมาไม่ได้เสียงเกิดรอเลย นั้นวิญญาณเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นจากสู่วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์เจ้าข่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเลยเจ้าข่าเพา ง, งาั้นดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉะไหนโสตะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะโสตะวิญญาณที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เนี่ยเท ได้ปัจจัยเสียงก็เกิดโสตาวิญญาณก็เกิดได้ยินเสียงหมดปัจจัยโสตาววิญญาณจิตได้ยินเสียงก็ไม่เกิดอีกละได้ปัจจัยก็เกิดอีกจะให้มันดังทั้งวันก็ได้หาอะไรมาเปิดให้มันดังๆเปิดโวท์ก็ได้ให้มันได้ยินทั้งวันให้โสตาวิญญาณเกิดอยู่นั่นแหละเกิดมากๆเพี้ยนกันนะเ <laughs> พราะอะไรพราโสตาวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ชาวนาเนี่ยนะชาวนาสะสมอะไรแลร้วกันนี้มันเสียงบางอย่างไม่ได้เกื้อกูลต่อกุศลเลยใช่ไหม เสียงบางอย่างเกื้อกูลต่อกุศลคือสุดแท้แต่สมุธฐานของเสียงนั้นๆด้วยน ะ, ะสมุธฐานที่เกิดจากกุศลก็จะเสียงนั้นนะถ้าเป็นสมุธฐานจากกุศลทําให้มีเสียงชวนะของคนฟังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุศลตามไปด้วยอยกตัวอย่างนะหนังสือใดที่เขาเขียนด้วยมหากุศลจิตนะเราอ่านหนังสือเหล่านั้นแล้วกุศลจิตเราจะเกิดด้วยหนังสือใดที่เขียนด้วยโทสะนะ เขียนด่าใครสักคนนึ่งเราไปอ่านก็โกรธราไปด้วยนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคำสอนเนี่ยเสียงเป็นคําพูดที่เกิดจากมาหมากิริยาจิตาหากิริยาจิตก็คือจิตชาติกุศลนั่นแหนละแต่เกิดในสันดานของพระอรหันต์เพราะนั้นเวลาเราฟังเสียงของท่านกุศลจิตเราเกิดง่ายเนี่ยนะขอธรรมาที่พูดเนี่ยถือว่าเป็นคําสอนของท่านนะไม่ใช่เป็นของธารมมาเพราะเป็นคนอ่านเฉยเฉยเนี่ยนะเพราะนั้นคำสอนเนี่ยกล่าวโดยชอบเป็นของพระผู้มีพระภาคเพราะนั้นถ้ากล่าวถูกเป็นคําสอน ถ้ากล่าวผิดเป็นของบุคคลเป็นของคนนั้นไปเป็นของคนที่กล่าวไปต่อไปคานวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงว่างั้นนะดอกจันทร์กระพาอได้กล่นจันทร์กระเพาะเที่ยงหรือไม่เที่ยงวะงั้นจิตที่ได้กล่ดเนี่ยนะต่อไปชิวหาวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงที่รับรู้รสเนี่ยนะไม่เที่ยงกายญาวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงมโนวิญญาณมโนวิญญาณคืออะไรความคิดนั่นแหละ ของพวกเราใช้ทุกวันก็คือความคิดที่เรานึกคิดเนี่ยนะความคิดเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงวันหนึ่งคิดกี่เรื่องแล้ววันนี้เนี่ยนะก็นั่งฟังทำเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยเรื่องนะพูดหนึ่งคำก็คิดหนึ่งอย่างเอาพูดร้อยคาก็พิดารย้อยอย่างพูตั้งแต่เช้ามาจนเย็นเนี่ยคิดกี่อย่างละแต่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะทุกความคิดเนี่ยมีเจตนาการกรรมเกิดร่วมด้วยมันกาลังมาคิดถึงเรื่องนี้มากเลยเรารับหนึ่งอารมณ์นั้นหนึ่งกรรมเกิดขึ้นณขนาดนั้น จงใจหรือไม่จงใจก็ตามเจตนาเกิดขึ้นแขณะนั้นนั้ น, น, นเป็นกรรมหมดเลยนะทีนี้พอเห็นได้ยินแล้วคิดอะไรนั่นแหละของเราแท้ๆเลยนะกรรมมาสะโกมิกรรมมาทายาโทกรรมมาโยนิกรรมมาพันธุกกรรมมาปฏิสรโนวังนั้นยังกรรมังกระิสามิกลยาณังวาปาปังวาตัสสะทายาโทภระวิสามิวังนั้น เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจักทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปเราจะเป็นทายาทคือผู้รับผลของกรรมนั่นแหละถามว่าใครทําำมาคิดเนี่ยเราคิดเองอ่ะมันหนึ่งอารมณ์ให้หนึ่งสมมติยกตัวอย่างหนึ่งสมมุติเป็นหนึ่งกรรมที่จริงแล้วชวนะเกิดอย่างน้อยเจ็ดวงต่อนหนึ่งอารมณ์ที่เรารับรู้เลยนะโลกนี้สุดแท้แต่การรับรู้รับรู้อะไรกรรมได้เกิดขึ้นแล้วใน อารมณ์นั้นนั้นเงื่อนไขมีว่าเจตนาดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าสองถึงหให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปนี่นี่โดยกรร ม, มปัจจัยต่างหากนะอุปนิสัยปัจจัยอีกต่างหากเนี่ยนะสหาชาตปัจจัยก็ต่างหากปัจฉาชาติตปัจจัยก็ต่างหาก มิประยุทธ์ตปัจจัยก็ต่างหากนะตรกูลปัจจัยแต่ละอย่างแต่ละอย่างบันเวลาเขาความคิดหนึ่งความคิดเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่ทำให้อย่างอื่นอีกตั้งเยอะแยะยนะจะแต่ที่ที่ทำให้เกิดทีริโอตาปามากขึ้นก็คือกรรมะปัจจัยเพราะฉะนั้นในหนึ่งอารมณ์เนี่ยพระองค์จึงบอกควรมีโยนิโสใช่ไหมให้มีโยนิโส อ, อย่างไรชื่อว่ามีโยนิโสก็คือพยายามเอาเรื่องอริยสัจเรื่องกรรมเป็นต้นมาตรึกมากๆนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นไปกับ โยนิโสเนี่ยหรือใส่ใจในคําสอนอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ถ้าเราไม่ใส่ใจในคําสอนเราก็จิตเป็นอกุศลถ้าอากุศลและจิตเกิดขึ้นใครทําให้อ่ะวันนี้คิดแต่เรื่องนี้เหมือนกันใครทําให้เราทํามาทั้งนั้ น, หนแหละที่ทํามาไม่ค่อยดีไม่เป็นไรจะทําใหม่ให้มันดีอะ่ะบอกแต่ว่าจะทําไงก็ขอทําตามอย่างที่พระ อ, องค์บอกพระ อ, องค์บอกนั่นแหละพระ อ, องค์บอกก็จะทําอย่างนี้จะพยายามทําตามเหมืง น, นั้น นะถึงจะเอาน้ำตาแลกบ้างก็ไม่เป็นไรจะขอทำตามนี่แหละมังนงั้นเอางั้นนะั่นเนาะมันทำไม่เอาอย่างนั้นนี่ก็ทำไงได้ชีวิตเรามีอะไรเป็นที่พึ่งบ้างนะเอาอะไรเป็นที่พึ่งได้บ้างเอะโลกนี้เขาบอกว่าที่จริงเรารักตัวเราเองมากที่สุดแล้วนะในร่างกายของเราเรารักมากถามว่าแต่และอย่างเอาเป็นที่พึ่งได้ไหมเอาส่วนไหนเป็นที่พึ่งบ้างเอาผมแล้วปลงทุกสิทุกเดือนเลยเป็นที่พึ่งก็ไม่ได้เอาฟันก็ทอนทิ้งหมแล้วไนงะ เอาส่วนไหนเป็นที่พึ่งเลยบ้างเอาความคิดเดี๋ยววันหนึ่งมันคิดไม่รู้กี่พันเรื่อง อ, อะไรเป็นที่พึ่งอะนะต้องเอาภาพพระพระตัตนตรายนั่นแหละเป็นสาระพระรัตนตรายนั่นแหละเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งที่กเกษม ส, สูงสุดของเราเนี่ยนะอั้นถ้าเราเอาธรรมะเป็นที่พึ่งธรรมนั่นแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกไปโ่ในโลกที่ชั่วอันธรรมะนั้นสภาพจิตต้องเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลนั้นต้องเป็นไปกับคําสอนจึงจะเรียกว่า มีธรรมะเป็นสารณะนะต้องจิตในขณะนั้นต้องมีคำสอนเป็นอารมณะปัจจัยอันแต่ละความคิดแต่ละความคิดเนี่ยมีมีความสำคัญมากจริงๆถ้าหากว่าเราไม่ไม่ฝึกฝนศึกษาเรื่องความคิดให้ดีๆเนี่ยนะชีวิตของเราก็ไม่มีใครช่วยได้จริงๆสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามอำนาจอย่างหนึ่งเนี่ยนะหมุนไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งคือคืออะไรคือจิต ว่าจิตเนี่ยเป็นตัวชุดข่าโลกไปเนี่ยโลกไปตามธรรมชาติอย่างหนึ่งคือจิตทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษคืออภิชาโทมนัสและมิจฉาทิฐิประทุดส้ายแล้วพูดก็พูดเป็นวจีทุจจิตทําก็ทาเป็นกายทูตจิตเมื่อทุจจิตสามอย่างบริบูรณ์ความทุกข์ก็จะติดตามเข้าไปเหมือน ล้อเวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นไอ้ล้อเวียนที่มันบรรทุกหนักๆ น, นะมาตามไปอย่างนั้นทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสด้วยสัมมาด้วยอนนพิชาด้วยอัพยาปาทะด้วยสั ม, มาธิฏิเมื่อใจเข้าผ่องใสอ ย, อย่างนั้นแล้วก็จะเป็นพูดก็จะเป็นวจีสุจริตธรรมก็จะเป็นกายสุจริตเมื่อสุจริต ส, ส, สอย่างบริบูรณ์ สุขก็ติดตามตัวเข้าไปเหมือนเงาติดตามตัวนะไม่ใช่เป็นเหมือนล็อกเวียนนะนะขนทับปสัมภาระส ม, มัยเด็กๆสําคัญมโนโกรรมนี่ขึ้นต้นนี น, นะว่าจะมีโทษประทุสร้ายหรือไม่ประทุสร้ายอันมโนกรรมเหล่านั้นเนี่ยนะซึ่งมีทุกมีโทษอย่างกันมโนอันนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เหมือนกันเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรานั่นอัตตาของเราไม่ควรเจ้าข่าข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุณีบอกว่าเพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันไม่ได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงว่าหมวดวิญญาณหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าค่าดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหล ดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ามันกำลังติดไฟอยู่มีน้มันก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไส้ก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเปลวไฟก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่านะจให้จําจำไว้ก่อนนะมีตะเกียงอยู่ตะเกียงหนึ่ง น้ำมันเนี่ยไม่เที่ยงไส้ที่ที่ที่เป็นจุดเนี่ยนะก็ไม่เที่ยงเปลวก็ไม่เที่ยงแสงสว่างที่สว่างออกมาไม่เที่ยงแต่มีคนกล่าวอย่างนี้ว่าประทีปน้ํามันที่กําลังติดไฟอยู่โน่นมีน้ํามันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนเป็นธรรมดาไส้ก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเปลวไฟก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ว่าแสงสว่างของประทีปนั้นแหละเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อ ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวนั้นชื่อว่าเพืงกล่าวชอบหรือหนอแลบอกหาไม่ได้เจ้าข้าวังั้นคนนั้นก็เห็้รายข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะประทีปน้ำมันที่กำลังติดไฟอยู่โน้นมีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไส้ก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเปลวไฟก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างของประทีปนั้นก็ต้องไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นกัน น้องหญิงทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลบุคคลใดพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายในหกของเราไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายในสเสวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวอย่างนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือน้อแล ฉันบอว่าตา ก, ก็ไม่เที่ยงสีก็ไม่เที่ยงจกักรวิญญาณก็ไม่เที่ยงแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าความรู้สึกนั้นเที่ยงชื่อว่ากล่าวชอบไหมหาไม่ได้เจ้าค่ข้าราะนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นอาศัยปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นแล้วจึงเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นดับเวทนาที่เกิดแต่ อายตนะภายในนั้นจึงดับไปดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายถูกละถูกละพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นดังนี้แหละดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่มีรากก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีลำต้นก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีกิ่งและใบไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา เงาก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่โน้นมีรากก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่ว่าเงาของต้นไม้นั้นแหลเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปลวนไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวอยู่นั้นชื่อว่าพึงกล่าวชอบหรือหนอแล ถูกไหมเงาเนี่ยเที่ยงล่ะเงินหาไม่ได้เจ้าข่าข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะต้นไม้ใหญ่มีแกนตั้งอยู่โน้นมีรากก็ไม่เที่ยงแปรปลวนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เที่ยงแปรปลวนไปเป็นธรรมดาเงาของต้นไม้ก็ต้องไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นกันดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแหลบุคคลใดเพิ่งกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะพายนอกหกของเรา คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะธรรมะเนี่ยนะไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะพายนอกเสเวยเวทนาใดเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามมิใช่ทุกมิใช่สุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาบุคคลผู้กล่าวนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือหน้อแลนะเขอบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสไม่เที่ยงแต่ว่าความรู้สึกที่อาศัยสิ่งเหล่านั้นเที่ยงชื่อว่ากล่าวชอบไหมอ่า บอกหาไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นนั้นอาศัยปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นนั้นแล้วจึงเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นนั้นดับเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นนั้นจึงดับไปดูก God, no ่อนน้องหญิงท erm no ั well ้งหลายถูกละถูกละพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แล ดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโครหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดฆ่าโคแล้วใช้มีดแล่โคอันคมชำแหละโคแยกส่วนเนื้อข้างในแยกส่วนหนังข้างนอกไว้ในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดเป็นเนื้อล่ําในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างก็ใช้มีดแล่โคอันคมเถือแล่คว้านส่วนนั้นคันแล้วคลี่ส่วนหนังข้างนอกออก เอาปิดโคนั้นไว้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองเน้องหญิงทั้งหลายคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้กล่าวนั้นชื่อว่ากล่าวชอบหรือหนอาแหละค่าแล้วเอาเนื้อออกหมดเลยแล้วเอาหนังไปปิดไว้เหมือนเดิมเนี่ยก็วัวตัวเดิมนั่นแหละว่า ง, งั้นบอกหาไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรข่าแต่ท่านผู้เจริญเพราะคนฆ่าโครู้ลูกมือของคนฆ่าโคผู้ฉลาดโน้นฆ่าโคแล้ว พึงใช้มีดแล่โคอันคมชำระโคแยกส่วนเนื้อข้างในส่วนหนังข้างนอกไวเนี่ยนะในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดเป็นเนื้อล่ําในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างก็ใช้มีดแล่โคอันคมเถือแล่คว้านส่วนนั้นคั้นแล้วคลี่ส่วนหนังข้างนอกออกเอาปิดโคนั้นไว้แม้เขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองก็จริงถึงกันนั้น โคนั้นก็แยกออกจากหนังผืนนี้แล้วที่จริงก็แยกไปหมดแล้วใช่ไหมน้องหญิงทั้งหลายเราเปรียบอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความชัดกำลัก็บอกว่าวินยูชนบางคนในโลกนี้จะรู้เนื้อความได้ด้วยอุปมากำลังนนเนื้อความในอุปมานั้นมีดังต่อไปนี้น้องหญิงทั้งหลายส่วนข้อว่าเนื้อข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายใน6ส่วนหนังข้างนอกเป็นชื่อของอายตนะภายนอก6 เนื้อลำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างเป็นชื่อของนั้นที่ราคะโลภะที่เข้าไปยินดีทั้งภายในภายนอกเนี่ยเป็นเครื่องผูกไม่เหมือนกันมีดแหล่โคอันคมนั้นเป็นชื่อของปัญญาอันประเสริฐซึ่งใช้เถือแหล่คว้านกิเลสในระหว่างสังโยชน์ในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างได้นะใครครวญแบบนี้เป็นเครื่องเถือเป็นเครื่องแหล่เป็นเครื่องชั่และออกไปดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายโพชชงที่พิสูจเจริญแล้วทําให้มากแล้วเป็นเหตุ เป็นเหตุย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนในปัจจุบันอยู่เหล่านี้มีเจดอย่างแลนะเจอย่างเป็นไหนดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายคือพิสุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความสละหรือปลดปล่อยเจริญธรรมะสัม ธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปิติสัมโพชงปัสสัททิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงและอุเบกขาสัมโพชง <c oughs> อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธาอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายเหล่านี้แลโพชงเจ็ดที่พิสุเจริญแล้วทําให้มากแล้วเป็นเหตุย่อมเข้าถึงเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันอยู่นะพ น, นันทกะกล่าวสอนพิสุนีเหล่านั้นด้วยโอวาสนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคําว่า ด, ดูก่อนน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วของเราก็จะเกินเวลาแล้วเหมือนกันลําดับนั้นพิสุนีเหล่านั้นยินเดียนุโมธนาภาสิตของพนันธกะลุกจากอาสนะอภิวาท่านพนันธกะทําประทักศิณเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า อย่างที่ประทับแล้วอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้ายืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอยืนเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุณีทั้งหลายพวกเธอจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วต่อ น, นั้นภิกษุนีเหล่านั้นได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทําประทักษิณแล้วหลีกไปบอกว่าวันหลังพนันทกะก็ะพระผู้มีพระภาคเนี่ยใช้ให้พนันทกะไปแสดงแบบเดิมอีกครั้งหนึ่งภิกษุณีเหล่านั้นเนี่ยองต่ําที่สุดเป็นพระโสดาบัน นะบางองค์ก็เป็นพระอรหันต์บางองค์ก็เป็นผ้านาคามีบางองค์ก็เป็นพระสกาธาคามีองค์รองที่สุดเป็นโสดาบันว่างั้นนะ่ะก็แสดงเหมือนเดิมอีกรอบสองว่างั้นก็เป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นไม่รู้ อ, อ๋อท่านพระนันทกะไปองค์เดียวนะไปแสดงองค์เดียวเจ <c oughs> <c oughs> นฟานพราะนั้นก็ข้อความวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะ ันพื้นฐานของพ่ชงนั้นเราต้องรู้เข้าใจพื้นฐานว่าเขาเข้าใจอะไรบ้างแล้วเขาจึงเจริญพ่ชง